น, นี่อากาศคืมเสียงเบาหน่อยกอากาศคืมก็เลยเหมือนกับคนใจคนเราก็บางวันก็คืมฟ้าคืมฝนบางวันกบ็บางวันก็เบิกบานบางวันก็หงุดหงิดนี่เรียกว่าจิตตัวนี้ที่เรียกว่าจิตคือจิตมีสองตัว จิตที่เป็นตัวรู้กับจิตที่เป็นอารมณ์ตัวที่เป็นอารมณ์นี่เกิดดับเกิดดับอารมณ์ดีเกิดแล้วก็ดับไปก็เป็นจิตหนึ่งพออารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมาก็อีกจิตหนึ่งอันนี้ที่เรียกว่าจิตดับก็จิตเกิดดับเกิดดับก็คือตัวนี้แต่ตัวที่ไม่ดับคือตัวรู้นี่ไม่ดับรู้อยู่ถ้าไม่มีตัวนี้ก็จะไม่รู้ว่ามี อารมณ์ดีหรือมีอารมณ์ไม่ดีงั้นต้องมีตัวรู้แล้วตัวรู้จะร so you know. ู้ได้ว่าดีหรือไม่ดีมีอารมณ์ดีไม่ดีก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติบางทีก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ไม่ดีหรืออารมณ์ดีเหมือนคนเมาเหล้าคนนอนหลับนี่ไม่รู้ว่าตอนนั้นมีอารมณ์ดีหรือมีอารมณ์ไม่ดีไม่มีสติที่จะคอยบอก ตัวรู้ว่าตอนนี้มีอารมณ์ดีหรือมีอารมณ์ไม่ดีนี่คือเรื่องของใจมีหลายส่วนส่วนที่ไม่ตายนี้เราเรียกว่าใจแต่บางทีเราก็เรียกว่าจิตคือตัวรู้นี่ตัวนี้ไม่ตายไม่เกิดไม่ดับรู้อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสมัยนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงแต่คนที่เข้ามาทำงานในร้านเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เดี๋ยวก็มีผัดนี้เข้ามาผัดกลางคืนเข้ามาเดี๋ยวก็ผัดกลางวันเข้ามาตัวจิตที่เกิดดับเกิดดับก็คือเนี่ยตัวที่เข้ามาทำงานในใจเนี่ยตัวที่มาโผล่ขึ้นมาอารมณ์ไม่ดีีก็ตัวหนึ่งละอารมณ์ดีก็อีกตัวหนึ่งละอารมณ์โลภก็อีกตัวหนึ่งอารมณ์โกรธก็อีกตัวหนึ่งพวกนี้ที่เรียกว่าจิตเกิดดับเกิดดับไอ้ตัวพวกนี้เกิดดับเกิดดับ การนั่งสมาธิทำํำใจให้รวมสงบตัวพวกนี้หายหมดเลยเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวที่เล็กกว่าศักแต่ว่ารู้เนี่ยเวานั่งสมาธิเพื่อหยุดไอ้ตัววุ่นวายต่างๆเหล่านี้ไอ้ตัวอารมณ์ต่างๆถ้าเป็นร้านเซเว่นก็ปิดร้านปิดร้านจะได้ทําความสะอาดร้านจะได้จัดร้านให้มันดีเวลาซ่อมร้านนี้ก็ต้องปิดร้านใช่ไหม แต่ร้านไม่ได้พังไปไม่ได้พังเพราะเราปิดร้านใช่ไหมร้านก็ยังอยู่เวลาเรานั่งสมาธิใจสงบเนี่ยตัวอารมณ์ต่างๆมันก็หายไปหมดความคิดต่างๆก็หายไปหมดความรู้สึกต่างๆก็หายไปหมดเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความรู้ตัวรู้เนี่ยตัวนี้ที่ไม่ไม่ดับตัวนี้ที่ไม่ดับไปกับร่างกายด้วยเวลาร่างกายดับตัวนี้ก็ไม่ได้ดับไป ตัวนี้ก็ไปต่อไม่มีร่างกายอันนี้ไว้เป็นคนรับใช้ก็ไปหาคนรับใช้คนใหม่ที่ไปเกิดใหม่ก็เพื่อไปหาคนรับใช้คนใหม่เท่านั้นเองไปหาร่างกายอันใหม่มารับใช้ใจใจที่ยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ยังอ ย, งอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็ต้องมีร่างกายถ้าอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากจะสัมผัสอะไรก็ต้องมีร่างกาย ก็เลยต้องไปหาร่างกายมารับใช้ความอยากของใจก็เลยเกิดการเกิดขึ้นมาพอไปได้ร่างกายมาก็เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็มาทุกกับร่างกายเพราะไปคิดว่าเป็นเป็นใจใจไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยคิดว่าจะแก่จะเจ็บจะตายไปกับร่างกายแต่มันไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายแต่มันทุกไปเพราะความหลง มันกับไปหลงรักของที่ไม่ใช่เป็นของเราเช่นไปค้อที่โรงพยาบาลแล้วเขาสลับลูกมาให้เราเงี้ยเอาลูกคนอื่นมาให้เราเลี้ยงเราก็หลงรักมันคิดว่าเป็นลูกเราใช่ไหมเลี้ยงมันอย่างดีมันไม่สบายก็ทุกไปกับมันมันเป็นอะไรก็ทุกไปกับมันแล้วตอนหลังโรงพยาบาลก็มาบอกว่านี่ไม่ใช่ลูกคุณนะสลับกันลูกของคนอยู่อีกบ้านนึงนะจะไปเอาคืนไมไม่เอาแล้วใช่ ถึงแม้จะเป็นลูกของเราแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นของเราแล้วเห็นถึงแม้ว่าจะเป็นลูกของเราออกจากท้องเราแต่เราไม่ได้เลี้ยงมันมามันไม่ได้อยู่กับเราเราก็ไม่มีความรู้สึกอะไรกับมันนี่แหละคือความหลงกัของใจเป็นอย่างเนี้ยพอได้อะไรมาก็หลงว่าคิดว่าเป็นของเราไปทันทีพอหลงแล้วก็อยากจะให้มันดีอยากจะให้อยู่ไปนา น, าน พอมันไม่พอมไม่ดีมันไม่อยู่ก็ทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมอย่างคนใช้นี่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เราใช่ไหมเราไปจ้างคนใช้มามันรับใช้ทํางานให้เรามันจะเป็นอะไรเราก็เฉยเฉยเพราะเราไม่ได้ถือว่าเป็นเราตอนนี้เราไปหลงคิดว่าคนรับใช้เป็นเราเราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรา พอร่างกายเป็นอะไรเราก็เลยทุกข์กันมากฉะนั้นเราต้องมาศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นของเราอะไรไม่เป็นของเราโดยสรุปก็คือไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนอกจากตัวรู้ตัวเดียวตัวรู้เนี่ยเป็นของเรามันอยู่กับเราไปกับเราเวลาไม่มีร่างกายก็เหลือแต่ตัวรู้เนี่ย ตตัวรูไปดันทาบุญทำบาปไว้ก็เลยต้องไปใช้ไปรับผลบุญผลบาปนถ้าไปทำบาปก็ไปรับผลบาปไปวุ่นวายกับชีวิตของเปรตบ้างชีวิตของเดลชาญบ้างชีวิตของนรกบ้างถ้าทำบุญก็ไปรับผลบุญก็ไปเที่ยวกับเทวดาไปเที่ยวในโลกท่องเที่ยวในโลกทิพย์ ไปอยู่โรงแรมหาดาวกินอาหารหาดาวเที่ยวระดับหาดาวนี่เป็นเรื่องของบุญบาปที่ทําไว้มันติดไปกับเราแล้วมันก็จะดึงให้เราไปรับผลแล้วพอบุญกับบาปมันไม่มีกําลังจะดึงเราไปบาไไปบาบไม่มีกำลังดึงไปอบายบุญไม่มีกําลังดึงไปสวรรค์<ม>ก็มาหาร่างกายอใหม่มารับร่างกายอันใหม่ม น้ำร่างกายจะดีไม่ดีก็อยู่ที่บุญบาปที่เรายังมีเหลืออยู่ในใจเราอยู่นี่ mm hmm. ก็เป็นเรื่องของใจใจเรามีอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนฝนฟ้าอากาศบางวันก็มืดครึ้มบางวันก็แจ่มใสจิตของเราบางวันก็เศร้าซ้อ ย, อยงอยเงาว้าเหวบางวันก็เบิก บ, บานสดชื่น อยู่ที่ว่าได้ตามความอยากหรือไม่ใจของเราสุขหรือทุกข์อยู่ที่การได้ตามความอยากหรือไม่ถ้าได้ความได้ตามความอยากก็สุขได้อะไรมาก็ดีใจเวลาเสียอะไรไปก็เสียใจแต่เราไม่รู้ว่าของที่เราได้มานี้มันจะต้องเสียมันเป็นของชั่วคราวฉะนั้นเป็นเราเราจรึง ไปหาความเสียใจกันโดยไม่รู้สึกตัวโดยคิดว่าเวลาได้แล้วดีใจแต่ไม่รู้ว่าของที่เราได้มานี่มันจะต้องเสียไปเนี่ยตำแหน่งต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวอายุ60ก็ไปหมดแล้วจะเป็นหัวหน้าภาคหัวหน้าแผนกเป็นหัวหน้าอะไรก็ตามพออายุ60บก็บอกบายบายให้คนอื่นก็เป็นบ้างเราเป็นมานานพอแล้ว เวลาเวลาเสียก็เสียใจเวลาได้อะไรมาก็ดีใจแต่ไม่รู้ว่าได้อะไรมาก็ต้องเสียสิ่งที่ได้มาทุกครั้งไปทุกอย่างไปเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นของเราไปตลอดจะต้องมีวันจากกันแม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องจากเราร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราไปตลอด เดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องจากกันพระพเจ้าถึงสอนให้พวกเรามาหัดจากกันเนี่ยตอนนี้หัดมาหัดจากเงินทองก่อนมีเงินทองก็เอามาให้หลวงพ่อหลวงตาหัดหัดพัดพลากจากเงินทองเวลาเรายินดีจากนี่มันมันไม่ทุกใช่ไหมดีใจนะมีความสุขใ่ไ ม, มนเนี่ยเสียเสียเงินทองนีมีความสุขหรือมีความทุกข์สุขใช่ไหมเพราะยินดีเพราะอยากจะเสียใช่ม ถ้าเราอยากจะเสียอะไรแล้วเสียนี่เราก็จะดีใจแต่ถ้าเราไม่อยากจะเสียนี่พอเสียก็จะเสียใจที่นั้นเราต้องมาหัดเสียของที่เราจะต้องเสียซ้อมไว้ก่อนวิธีเสียร่างกายทําไงก็อย่าไปใช้ร่างกายมาถือศีลแปดถือศีลแปดนี่ก็เหมือนกับว่าเราตอนนี้เราไม่ใช้ร่างกายแนละ้ว ไม่ใช้ร่างกายไปหาขนมมากินไม่ใช้ร่างกายไปหากาแฟมาดื่มไม่ใช้ร่างกายไปหาวิดีโอมาดูไม่ใช้ร่างกายไปหาเพลงมาฟังถ้าเราไม่ใช้ร่างกายต่อไปเวลาร่างกายมันไม่อยู่กับเราเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังต้องใช้มันอยู่ใช้มันมาดื่มกาแฟใช้มันมากินขนมใช้มันมาดูวิดีโอใช้มันมาฟังเพลงพอเวลามันไม่อยู่เราจะทำไง เราก็เดือดรอนใช่ไหมนี่คือวิธีอุบายของพระเจ้าให้เรามาปล่อยเลิกใช้ร่างกายเลิกใช้ร่างกายเพราะเมื่อใช้เรามันต้องพึ่งมันไปเวลาไม่มีมันเราก็ทุกข์เราจึงไม่อยากตายกันไม่ใช่เพราะว่าเรารักร่างกายนี่หรอกเพราะว่าถ้าไม่มีมันเราก็ไม่มีวิธีหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันเราก็เลยต้องต้องมีร่างกาย แต่มีร่างกายแล้วมันก็มีข้อเสียคือมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายถึงต้องมีหมอมีโรงพยาบาลเพราะร่างกายเดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องไปให้หมอช่วยรักษาเอามีเสืรอนะหยิบเอาเส้นี้ตรงนั้นหยิบเอาได้เลยปูได้ตรงไหนว่างตรงไหนก็ปูนั่งไปเลยหรือจะขึ้นมานั่งข้างนี้ก็ได้ ข้างบนนี้ก็ว่างที่ไหนว่างก็นั่งได้เลยเนี่ยคำสอนของพระเจ้านี้สอนให้เราปล่อยกันปล่อยทุกอย่างปล่อยเงินปล่อยทองอย่าใายเงินทองซื้อของที่ไม่จำเป็นต้องซื้อใช้เงินตามความอยากนี่ไม่จำเป็นใช้เงินตามความจำเป็นก็พอใช้เงินซื้ออาหารซื้อยารักษาโรค ซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่หมซื้อที่อยู่อาศัยอันนี้จำเป็นถ้าอยากจะรักษาร่างกายให้อยู่ต่อไปก็ต้องซื้อของพวกดีแต่ของอย่างอื่นไม่จำเป็นซื้อขนมมากินนไม่จำเป็นซื้อกาแฟมาดื่มไม่จำเป็นร่างกายไม่ดื่มกาแฟก็ไม่ตายไม่กินขนมก็ไม่ตายไม่ดูหนังก็ไม่ตายไม่ฟังเพลงก็ไม่ตาย แต่เราต้องหมดเงินหมดทองไปกับของพวกนี้แล้วก็ฟังเท่าไหร่เห็นเท่าไหร่ดูเท่าไหร่ก็ไม่พอดูป้าก็หมดไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปดูเรื่องใหม่เสียเงินใหม่อีกเราก็เลยต้องพึ่งเงินทองกันถ้าเราเลิกดูได้เลิกใช้เงินทองที่ไม่ต้องใช้ได้เราก็ไม่ต้องไปพึ่งเงินทองกัน ไม่ต้องไปเหนื่อยกับการหาเงินหาทองมาอยู่วัดมาบวชกันสบายจะตายไหกินข้าววันละมื้อก็พอแล้วจะได้หุ่นคืนมาตอนนี้ตุ่มมันขอยืมไปต้องเรีย ก, กคืนเราะเรนจากตุ่มมานะให้ปล่อยวางทุกอย่างอย่าไปพึ่งอะไรของในโลกนี้พึ่งไม่ได้เพราะมันเป็นของช่วคราว เดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปเวลาจากกันก็เสียใจทุกใจเวลาอยู่ก็วิตกกังวลเป็นหว่วงเป็นใ ย, ยกันห่วงยังไงเดี๋ยวก็ไปวิตกยังไงก็ไปถ้าเราไม่พึ่งเขาแล้วเราไม่ต้องห่วงเขาไม่ต้องวิตกกังวลกับเขาเรายังพึ่งเขาเลยยังไปถือว่าเป็นของเราอยู่ก็ไม่อยากให้มันจากเราไป เราสามารถอยู่ได้โดยต้องไม่ต้องมีอะไรแต่เราต้องหยุดความอยากให้ได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วเราก็อยู่เฉยๆได้ไม่มีอะไรแล้วกลับดีกว่ามีความอยากมีความอยากแล้วอยู่อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปหาอะไรมาต้องไปทำตามความอยากถึงจะมีความสุขถ้าหยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรอยู่เฉยๆก็ม pues, ีความสุข ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นไรระาวาังไว้มีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าอยากจะมีความสุขก็อย่ามีอะไรถ้ามีแล้วต้องทุกกับสิ่งที่เรามีใช่ไหมมีแฟนก็ต้องทุกกับแฟนมีเงินก็ต้องทุกกับเงิน มีอะไรก็ต้องทุกกับมันหมดมีร่างกายก็ต้องทุกกับร่างกายถ้าไม่มีแล้วมันจะมีอะไรให้เราทุกอ่ะแต่เราอยู่แบบไม่มีไม่ได้การจะอยู่แบบไม่มีได้ก็ต้องอยู่เฉยๆให้ได้ต้องหยุดความอยากให้ได้ถ้าอยู่เฉยๆหยุดความอยากได้ก็ไม่มีอะไรก็อยู่ได้ความอยากมันทำให้เราต้องมีเพราะไม่มีความอยากมันก็ไม่ต้องมี วิธีจะทำให้มันไม่มีความอยากก็ต้องหยุดความคิดพอมันไม่คิดมันก็ไม่อยากใช่ไหมพอคิดปั้นมันก็อยากคิดถึงขนมมันก็อยากคิดถึงกาแฟก็อยากนะคิดถึงบุหรี่คิดถึงสุราคิดถึงที่ท่องเที่ยวมันก็อยากไปละแต่ถ้าเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้มันก็ไม่ไปมันก็ไม่อยากวิธีจะหยุดก็ต้องใช้สติ คือต้องดูความคิดดูว่ากําลังคิดอะไรอยู่เราบอกให้มันหยุดถ้าหยุดได้ก็แสดงว่าเรามีสติถ้าหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติถ้าไม่มีสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือต้องท่องพุทโธไปไเรื่อยๆเวลาจะหยุดความคิดก็ท่องพุทโธไปกําลังคิดถึงขนมก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็ลืมเรื่องขนม เราลืมเรื่ขนมก็ความอยากกินขนมก็หายไปอันนี้เป็นวิธีแรกแต่ยังไม่เป็นเป็นวิธีที่สุดท้ายเพราะเวลาเกิดคิดถึงขนมอีกก็อยากจะกินอีกวิธีที่จะทำให้ไม่อยากกินขนมก็คือต้องคิดว่าเวลาขนมมันเข้าไปในท้องแล้วเป็นยังไงเวลามันออกมาจากร่างกายแล้วเป็นยังไงแต่เห็นขนมเวลาที่มันออกมาจากร่างกายต่อไปมันก็ไม่อยากจะกิน กินขนมแล้วก็กลายเปน็นไอนี้นี่คือวิธีรักษาหยุดความอยากกินอย่างท้าวรต้องคิดถึงเวลาที่มันออกมาจากร่างกายอย่าไปคิดถึงตอนที่มันอยู่ในจานถ้าเวลามันอยู่ในจานแล้วมันอยากกินถ้าพอมันออกมาจากร่างกายไปอยู่ในโถส้วมแล้วมันก็ไม่อยากกินแล้วแล้วต่อไปก็จะไม่อยากกิน แต่ก็ยังกินอยู่แต่กินแบบกินยาเวลาเรากินยาเราอยากกินไหมแต่กินใช่ไหมพอรู้ว่าต้องกินใช่ไหมก็เหมือนกันอาหารนี้ต่อไปถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอุจจระต่อไปเราก็จะไม่อยากกินแต่เราก็ยังกินมันอยู่ถึงเวลาก็กินมันกินมันเหมือนกินยาได้แต่เวลาไม่ถึงเวลาก็รู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนเพราะไม่ไปคิดถึงมันคิดถึงที่ใดก็คิดถึงตอนที่มันออกมาทุกที วิธีแก้แก้ลํำกิเลสแก้ลํำตัณหาความอยากต่างมันหลอกให้เรากินแล้วมันเป็นโทษมากกว่าเป็นเป็นคุณใช่ไหกินมากแล้วเป็นยังไงน้าหนักเกินเสียความงามไปแล้วก็มีโครคภัยไข้เจ็บตามมาอีกโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขข้อเนียข้อเข่าเนี้ยหมอบอกน้าหนักเกิน เขามันรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็เกิดอาการอักเสบอะไรขึ้นมาเจ็บขึ้นมาโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจมีมาจากการที่เรารับประทานอาหารตามความอยากถ้าเรารับประทานอาหารแบบรับประทานยาจะไม่มีโรคภัยเหล่านี้ดูคนผอมเ่ยก็ไม่ค่อยมีโรคภัยขึ้นเลย อามดันก็ปกติไขมันก็ปกติน้ำตาลก็ปกติเข่าก็ไม่มีปัญหาเนี่ยเห็นงานชัดๆก็ยังยังสู้ความอยากไม่ได้ยังยอมสละความสวยงามก็ว่าไม่สวยดีก็อดใช่ไหม <laughs> อดแล้วมันทุกข์กว่ากว่ากว่าไม่สวยเนอะก็เายยอมไม่สวยดีกว่า แต่มันจะทุกข์มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอายุจะสั้นอายุจะไม่อยู่ไม่ไม่ยาวนานอันนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่เรื่องอายุเรื่องร่างกายเนี่ยแต่ที่มันเป็นปัญหาก็เกิดใจเราจะไม่ไม่เป็นสุขเดี๋ยวก็หิวแล้วเดี๋ยวก็อยากอย่แล้วเดี๋ยวต้องหามากินอยู่เรื่อยๆหามาดื่มอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าหลายก็ไม่พอมันไม่ได้ทำให้เราพอการที่เราจะทาให้เราพอ พอคิดถึงอุจจาระบ่อยๆมันจะพอเลยมันจะไม่อยากกินพอไม่กินแล้ที่สบายถึงเวลาค่อยกินอย่างพระนี่พรเจ้าสอนว่ากินมันละมื้อก็พอถึงเวลาก็กินหนเดียว<ม>กินเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรไ ม, ไม่ไม่มีวันที่จะน้ำหนักเกินถ้ากินวันละครั้งเดียว ก็ให้กินตามความต้องการของร่างกายพอกินแล้วรู้สึกว่าเริ่มจะอิ่มแล้วก็หยุดอย่าไปบังคับให้มันกินต่อ <c oughs> กินอิ่มแล้วมันก็อืดอัดท้อง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> จะทําอะไรก็ทําไม่ไหวอยากจะนอนง่นอนแต่ถ้ากินพออิ่มพอรู้สึกว่าหายหิวแล้วก็หยุดกิน <c oughs> พอรู้สึกว่าจะอิ่มแล้วก็หยุดกินแล้วก็จะเบาสบาย <c oughs> ไม่ ง, ง่วงนอนไม่อืดอัด ไม่ต้องคอยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่อยู่เลยใส่ด้านไม่กี่เดืนเอนอ้อมสายไม่ได้แล้วแต่ปัญหาที่ต้องการจะแก้คือปัญหาทางใจปัญหาที่ว่าไม่มีความสุขถ้าไม่ได้กินพอได้กินก็มีความสุขแต่ก็เดี๋ยวเดียวไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็อยากกินอีกแล้วก็ต้องหากินไปเรื่อย แล้วก็ต้องไปเจอวันที่หมอบอกว่ากินไม่ได้แล้วหมดกินมากเกินไปแล้วตอนนี้ต้องอดแล้วตอนนั้นก็จะทุกข์ขึ้นมาแล้วงั้นมาหัดทุกข์ตอนนี้ดีกว่าทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ได้กินดีกว่าแล้วไม่ทุกข์มากถ้าเรารู้จักวิธีสอนใจให้มันมองในสิ่งที่เราไม่อยากจะกินมันก็จะไม่กินเองพคิดถึงขนมก็คิดถึงตอนที่มันกลายเป็นอุจจาระไป เรากำลังกินอุจระนี่วะกินมันทำไมใช่ไหมอุจระมันมาจากไหนทานั้นมันมาจากขนมที่เรากินมันมาจากไหน <c oughs> พิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะตัดความอยากในอาหารได้เราจะอยู่อย่างสบายไม่ต้องคอยสต๊อกขนมอะไรไว้ตามที่ต่างๆ ต, ตามลิ้นชักตามตู้ตามอะไรเต็มไม่หมด นะบางทีตื่นขึ้มาน้คว้าหาขนมก่อนละนะนี่คือปัญหาทางใจใจของเราไม่มีความสุขเพราะความอยากมันคอยกดดันจิตใจเราบังคับให้เราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้มาแล้วก็ดีใจเดียวเดียวสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องหามาใหม่แล้วเดี๋ยวเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เราต้องไปเกิดใหม่เพราะเวลาร่างกายนี้ตายไป ความอยากยังไม่หมดก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ม า, ามทำตามความอยากต่อเราก็เลยต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆการเกิดนี้มันดีน้อยมันมันไม่ดีมากกว่าดีตรงที่ว่าได้ทำนู่นทำนี่ตามความอยากยานั่นแหละแต่ไม่ดีตรงที่ว่าต้องมาลินลนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมีไม่ต้องใช้ร่างกายเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องเกิดนะถึงสอนพระเจ้าสอนให้ทําทางเพื่อไม่ให้ไม่ให้ใช้เงินทองไม่ต้องพึ่งเงินทองพึ่งแต่เฉพาะเงินทองที่จะซื้ออาหารก็พอซื้อปัจจัยสีก็พอแต่เงินทองที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการนี่อยากไปซื้อให้เสียเวลาพอเหมือนซื้อยาเสพติด ยาเสพติดนี่เราไม่เสกเราก็อยู่ได้ใช่ไหมแต่คนที่ติดนี่อยู่ได้ไม่ไม่มียาเสพติดตอนนี้เราก็ติดเหมือนกันเราก็ติดรูปเสียงเกิดรดเราต้องมาเลิกติดรูปเสียงเกิดลดด้วยการมาถือศีลแปดกันการถือศีลแปดนี้เป็นการเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกปีนกาย แล้วจะได้มีเวลามานั่งสมาธิหยุดความคิดหยุดความอยากพอหยุดความคิดหยุดความอยากได้แล้วก็สอนให้คิดไปในทางที่ไม่อยากคิดว่าต้องตายอย่างเงี้เจ็บต้องแก่มันก็จะไม่อยากได้อะไรถ้าไปหาหมอวันนี้หมอบอกว่าเป็นมะเร็งรักษาไม่หายแล้วยังอยากไปเที่ยวหยังอยากได้แฟนไยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หมแล้วไม่อยากได้แล้ว ถ้าเราคิดถึงความตายว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายนั่นนะต้องคิดแบบเอาจริงๆนะคิดแบบว่ามันเชื่อจริงๆว่าต้องตายเนี่ยเกิดไปหาหมอดูหมอบอกพรุ่งนี้ต้องตายนี่จะเชื่อหมอป่ะสองจิตสองใจเลนะถ้าไม่เชื่อคงไม่ไปหาหมอนะถ้าหมอดูบอกพรุ่งนี้ต้องตายจะทำไงให้เราเชื่ออย่างนั้นดีเราจะได้ไม่โลภไม่อยาก เราจะได้มาปล่อยวางร่างกายเราจะได้มาหยุดใช้ร่างกายกัน mm hmm. พอคนรู้ว่าจะตายนี่ไปอยู่วัดกันนะไปปฏิบัติธรรมกันไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบไปโปรงกัน mm hmm. แต่เวลามันจะไม่พอสิ mm hmm. ควรที่จะทำตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่เรายังมีเวลามากอยู่ mm hmm. อย่าไปรอเวลาที่หมอบอกว่าเหลือไม่กี่เดือนแล้ว เอา น, นั้นมันจะเวลาจะไม่พองั้นพยายามทํากันเงินทองที่จะไปเที่ยวเอาไปทําบุญแทนนะเอาทําที่ไหนก็ได้ไม่ต้องทําที่วัดก็ได้ทําที่โรงพยาบาลก็ได้ทําที่โรงเรียนก็ได้ทํากับเด็กอนาถาทํากับเด็กพิการทำกับคนแก่คนชราคนที่ไร้ที่พึ่งต่างๆคนที่เดือดร้อน เอาไปทําบุญแทนที่จะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาไปทําบุญแทนที่จะซื้อรองเท้ากู่ใหม่ก็เอาไปทําบุญแทนที่จะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ก็เอาไปทําบุญแทนที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เอาไปทําบุญแล้วต่อไปความอยากเที่ยวอยากซื้อของเหล่านี้มันจะหมดไปเองแล้วต่อไปเวลาท่านขาดเงินขาดทองเราก็จะไม่ทุกข์เพไม่มีความอยากใช้เงินซื้อของต่างๆ เราก็จะอยู่เป็นสุขเราก็จะไปอยู่วัดได้ไปรักษาศีลแปดได้ไปนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้ไปโปร่งได้พอเราโปร่งได้แล้วเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งรักษาไม่หายเราก็เฉยเฉยพอโปร่งได้แล้วปล่อยวางร่างกายได้แล้วพอให้มันไปแล้วพอให้มันตายแล้ว <c oughs> เราจะอยู่อย่างสบาย ทุกนิดหน่อยทุกตอนที่ต่อสู้กับความอยากนี้ท่านเองพอชนะความอยากแล้วก็สบายทําทานเพื่อให้เราฝืนความอยากรักษาศีลก็ให้เราฝืนความอยากนั่งสมาธิก็ให้หยุดความอยากคิดทางปัญญาก็คิดให้เราเลิกความอยากทุกอย่างนี้พวกเป้าไปที่การตัดความอยาก เพราะความอยากเป็นตัวปัญหาถ้าเป็นร่างกายก็เหมือนเชื้อโรคโรคเอชนี้เชื้อ HIV มีใครอยากได้เชื้อ HIV กันนะก็อยากจะกำจัดมันท่นั้นเนี่ยตอนนี้ยากำจัดยังไม่มีก็เลยเอายาต้านไว้ก่อนสมาธินี่ก็เหมือนยาต้านต้านความอยากยังกบจัดมันไม่ได้สมาธินี่ต้านมันได้เวลาเกิดความอยากก็นั่งสมาธิ อจิตสบความอยากก็หายไปแต่พอออกจากสมาธิมาความอยากก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ยังถ้าต้องการที่จะฆ่าความอยากต้องใช้ปัญญาต้องเห็นโทษของการทําตามความอยากทําแล้วก็จะต้องทําไปได้เรื่อยเวลาที่ไม่สามารถจะทําได้ก็จะทุกข์อยู่ดียังสู้ทุกข์ตอนนี้ดีกว่าทุกข์กับการไม่ทําเสียตอนนี้ พอเราทุกข์คนเดียวเราก็จะหายทุกข์ไปตลอดพอเราชนะความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะสู้เราไม่ได้ <c oughs> แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความอยากอีกต่อไปเราก็จะอยู่เฉยๆได้นะท่าให้สอนทําบุญทําทานรักษาศีลศีลห้าก่อนถ้ายังรักษาศีลแปดไม่ได้ก็หัดรักษาศีลห้าไปก่อนศีลห้าได้แล้วก็รักษาศีลแปด รักษาศีลแปดได้ก็ไปปีกวิเวกได้ไปอยู่วัดไปนั่งสมาธิได้พอนั่งสมาธิได้ใจสงบได้พอออกจากสมาธิมาพอใจจะคิดไปทางความอยากก็สอนนว่าคิดไปหาความทุกข์ความอยากก็คือความทุกข์ถ้าอยากไม่ทุกข์ก็อย่าไปทําตามความอยากมันก็จะเลิกคิดรลอคิดว่าสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็น สิ่งที่เราไม่ต้องการอาหารที่ได้มาเดี๋ยวมันก็กลายเป็นอุจจาระไปคิดอย่างนี้หรือสิ่งที่เราได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียไปพังไปหมดไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรมันก็จะอยู่เฉยๆยังมีความสุขไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์ พรอไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วไม่ต้องพึ่งร่างกายถ้ายังต้องพึ่งร่างกายอยู่เวลาร่างกายเป็นอะไรก็จะทุกข์มากจึงไม่มีใครอยากจะเจ็บใข้ได้ป่วยกันไม่มีใครอยากจะตายกันเพราะเมื่อร่างกายตายไปก็ไม่สามารถใช้ให้มันไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ แต่ถ้าเราไม่ต้องการมีรูปเสียงกลิ่นลดแล้แลวเราก็ไม่เดือดร้อนจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ใช้มันล่ะไม่ต้องใช้มันแลแต่เวลาร่างกายนี้หมดไปก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายอันใหม่แต่ถ้ายัางต้องใช้ร่างกายอยู่พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไาหาร่างกายอันใหม่มอเกิดใหม่ แล้วก็มาต่อสู้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องปากกัดตีนถีบใช่ไหมหากินหาอะไรต่างๆแล้วพอมีเงินเกินก็เอาไปเที่ยวกันแล้วก็ติดเที่ยวกันเอาเงินไปซื้อของต่างๆแล้วก็ติดมันพอไม่มีเงินก็เดือดร้อน <c oughs> เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราจากการทําตามความอยากมาเลิกทําตามความอยาก ด้วยการทำทานเวลาอยากจะเอาเงินไปซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นก็เอาไปทำทานเวลาอยากจะทำอะไรก็อย่าทำทำแล้วมันเกิดโทษอย่าทำอย่าไปฆ่าอย่าไปรักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปโกหกหลอกลวงอย่าไปดื่มสุรายาเมาพอหยุดห้าข้อนี้ได้ก็เพิ่มอีกสามขอ้ออย่าไปกินอาหารหลังมื้อเที่ยงไปแล้ว อย่าไปเที่ยวตามหลังบันเทิงต่างๆอย่าแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอาพรด้วยเครื่องสำอางด้วยการทำผ้าทำผมอะไรต่างๆโดยการใช้น้ำมันน้าหอมอะไรต่างๆเสียเวลาไปความสุขปลอมความสุขเดียวๆได้มาแล้วก็หมดไปแล้วเมื่อกินนี้ไปเที่ยวมาตอนนี้หายไปไหนหมดลมะเมื่อกี้ไปกินมาตอนนี้หายไปไหนหมดละ เดี๋ยวเย็น <southeast> ก็อยากกินขึ้นมานี่ไม่ได้กินนี่กินมื้อเดียวเนี่ยกินตอนเช้าเย็นก็ไม่ได้กินเพราะไม่ได้กินตามความอยากพอถึงเที่ยงก็ไม่ได้อยากพอถึงเย็นก็ไม่ได้อยากก็ไม่รู้สึกอะไรอยู่ได้กินมื้อเดียวเพราะไม่มีความอยากกินก็กินเหมือนกินยากินตามหมอสั่งพระพุทธเจ้าสั่งให้กินวันละมื้อเราก็กินตามที่พระพุทธเจ้าสั่ง ให้แขนมันละมือ <c oughs> สบายกับคนกินวันละสามมือเดี๋ยวไปกินอาหารไม่ถูกใจก็ไม่อร่อยบางทีต้องขับไปนู่นอีกร้อยกิโลไปหาอาหารอร่อยกินเงนะ <c oughs> เดี๋ยวดีไม่ดีไปเจออุบัติเหตุกลางทางซะก่อนก่อนจะไปถึงร่านอาหารลดความตายก่อนลินลนไปหาความทุกข์กันเข้าใจไห ให้เห็นโทษของความอยากแล้วทาตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยทำทานรักษาศีลศีลห้าศีลแปดแล้วก็มานั่งสมาธิมาหยุดความคิดหยุดความอยาก น, นี้เป็นการหยุดชั่วคราวก่อนพอหยุดชั่วคราวได้หยุดความคิดได้ขั้นต่อไปก็หนึ่งใจให้ไปคิดในทางที่จะทำให้เราไม่อยากคิดถึงความตายมันก็ไม่อยากคิดถึงสิ่งที่เราได้มาแล้วต้องเสียไปเราก็ไม่อยาก ไม่มีอะไรที่เราไม่เสียนะได้อะไรมาก็ต้องเสียมันไปไม่ช้าก็เร็ว <c oughs> เวลาเสียก็ทุกข์กันถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะเสีย <c oughs> ก็ไม่มีอะไรจะทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่มีอะไรลนะท่านสละหมดน่าจะสมบัติมีก็ของที่เสียก็ไม่เดือดร้อนมีบาทใบหนึ่งเสียบาทไปก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> มีจีวรมีผ้าสามผืนไว้ สวมใส่มีร่างกายเสียไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้ <c oughs> ถ้าไม่มีความอยากใช้ร่างกายแล้วก็ไม่มีไม่ต้องมีร่างกายถ้าไม่อยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> ต้องใช้ปัญญาถึงจะหยุดความอยากได้อย่างถาวร แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอยู่สวรรค์ไปตลอดสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมเรียกว่านิพพานสวรรค์ชั้นอื่นๆยังมีวันเสื่อมอยู่สวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นเทพเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมกลับเรามาเป็นมนุษย์ไปกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่มาทําบุญใหม่พอทําบุญตายไปก็ไปสวรรค์ใหม่ถ้าไม่ทําบุญทํำบาปตายไปก็ไปอบาย ไปเป็นเดลฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกก็กลับไปกลับมาขึ้นขึ้ น, นลงลงอย่างนี้ถ้ายัางไปไม่ถึงนี่ผ่านถ้ายัางหยุดความอยากไม่ได้ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆขึ้นขึ้ น, นลงลงไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างแล้วแต่บุญแต่บาปที่ทําไว้คนเราไม่มีใครคิดอยากจะทําบาปอะแต่พอถึงเวลาจริงๆมันหยุดไม่ได้ เวลาอยากได้อะไรมากๆแล้วมันต้องต้องฆ่าก็เอาต้องทาบาวก็เอา <c oughs> ความอยากนี้มันรุนแรงมันสามารถสั่งให้คนนี้ทำอะไรต่างๆที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้คนฆ่าตัวตายก็ฆ่าเพราะความอยากไม่อยากอยู่แล้วอยากตายเนี่ยมันก็ฆ่าตัวเองได้มีใครอยากจะฆ่าตัวเองบ้างไหมตอนนี้ไม่มีใครอยากฆ่าหรอกมีแต่อยากจะอยู่กัน แต่ถ้าเกิดไปเจอความทุกข์มากๆเข้าเนี่ยมันไม่อยากจะอยู่แล้วมันอยากจะฆ่าตัวเองอันนี้ก็เป็นความอยากคนทีไม่มีความอยากมันก็ยังไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปฆ่าตัวเองแล้วฆ่าตัวเองก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาเพราะฆ่าผิดคนคนที่ต้องฆ่าก็คือความอยากไม่ไปฆ่าไปฆ่าร่างกายที่มันไม่รู้อิโนอิเน ฆ่าไปมันก็ไม่หายทุกเพราะความทุกข์มันอยู่ที่ความอยากมันยิ่งทุกข์ใหญ่เวลาค่าเนี่ย่าตัวเองนี่มันยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดใหญ่ตอนที่จะตายมันไม่สงบหรอกการค่าตัวตายมันยิ่งทำให้ทุกข์ให้เครียดมากขึ้นวิธีจะทำให้มันสงบก็พุทโธพุทโธไปหยุดคิดหยุดอยากเพราะหยุดได้แล้วสบายตอนนี้เราหยุดไม่ได้เราต้องมาหัด พุดโทกันมาสร้างสติกันต่อไปเราก็จะหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆใครจะไปก็ไปใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะทิ้งเราก็ทิ้งไปใครจะโกงเราก็ปล่อยเขาโกงไปเราไม่มีความอยากกับอะไรสักอย่างเราไม่เดือดร้อนอยู่กับความสงมบเพียงอย่างเดียวพอ มีความสงบแล้วพอไม่ต้องมีอะไรตอนนี้เราไม่มีความสงบกันเรามีแต่ความอยากกันก็เลยต้องนินรนปากกัดตีนทีหาสิ่งต่างๆตามความอยากกันเวลาไม่ได้ก็เสียใจเศร้าซ้อยหงอยหเหงาซึมเศร้าคนซึมเศร้าก็เพราะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ดังใจอยากกันก็เลยซึมเศร้า คนแก่เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ก็ซึมเศร้ากันคนเจ็บซึมเศร้ากันคนหนุ่มคนสาวก็ไม่ซึมเศร้าเพราะเขาทำอะไรได้ตามที่เขาต้องการนอกจากว่าเขาไปผิดหวังในสิ่งที่เขาได้มาเสียในสิ่งที่เขารักไปอันนั้นก็อาจจะทำให้เขาซึมเศร้าขึ้นมาก็ได้นี่คือเลดของความอยาก ถ้าไม่มีความอยากแล้วสิ่งเหลนี้จะไม่เกิดกับใจความซึมเศร้าความเศร้าโศกเสียใจความเหงาความว้าเหวความอยากตายอะไรต่างๆนี้นมันจะไม่มีในใจมันจะมีแต่ความผ่องใสสดชื่นเบิกบานตลอดเวลา อันนี้แหละประโยชน์จากการที่เรามาปฏิบัติตามที่พรดเจ้ทาทรงสอนทาทานไป ถ, นถ้ามีเงินถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทําถ้ามีเงินไว้สาหรับแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไม่ต้องทาทานรักษาศีลไปรักษาศีลห้าไปรักษาศีลแปดไปไปนั่งสมาธิกันไปหยุดความอยากกัน พอเราชนะความอยากแล้วเราก็สบายใจจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าหมองอีกต่อไปจะมีแต่ความสุขความสดชื่นเบิกบานไปตลอดที่พระเจ้าเรียกว่าปรมังสุขขังเนี่ยความสุขของใจที่ไม่มีความอยากใจที่ไม่มีความอยากเราเรียกว่ามิพาน ใจที่ยังมีความอยากนี้เราเรียกว่าวัตฏสงสารยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ใจที่ยังมีความอยากก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มาทำบาปทำบุญกันแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์บ้างไปเกิดในนรกบ้างขึ้นๆลงๆไปเรียกว่าวัตฏสงสารสังสารวัฏเนี่ยที่อยู่ของสัตว์ที่ยังไม่ได้ไปถึงพระนิพพาน ที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ที่ยังมีความอยากมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เรียกว่าสังสารวัฏหรือตายภพเนี่ยตายภพภพนี้ก็แบ่งไว้3ระดับกามาภพคือที่อยู่ของพวกที่ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่พวกมนุษย์พวกเดรัจฉานพวกเปรตพวกเทวดานี้เป็นพวกที่ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ พวกที่ไม่เสืรูปเสียงกลิ่นรสก็ไปอยู่ที่รูปภพกับอรูปภพรูปภพก็คือผู้ที่ได้รูปประชานนั่งสมาธิจิตสงบในระดับรูปปานหนึ่งก็ได้รูปภพถ้าจิตสงบมากกว่านั้นอยู่ในระดับอรูปปัจานก็จะได้ไปเกิดในอรูปภพมีความสุขมากกว่ารูปภพแต่เป็นความสุขชั่วคราว เดี๋ยวก็หมดก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่อยากจะสุขอย่างนี้ไปตลอดก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากความอยากความเสื่อมจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดจากความอยากตัดความอยากได้จิตก็จะไม่เสื่อมจากสวรรค์ชั้นพรหมก็จะกลายเป็นสวรรค์ชั้นนิพพานไปไม่เสื่อม แล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็จบไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปมีแต่สุขหนอสุขหนอไปตลอดเอาล้วนะจะให้พรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพักขอพักกินน้ำก่อนไม่ให้พักกินน้ำเลย จะให้ต่ อ, อ, อยตลอดใครต้องการทาอะไรก็ทำตอนนี้เดี๋ยวจอสนานาทำอี ก, อกช่วงช่วงนี้เป็นช่วงพักอยากจะถ่ายรูปอยากจะทำอะไรก็ทำตอนนี้เดี๋ยวก็โดนเขาด่าอีกครังว่าไม่มีแก้วดื่ม <c oughs> อันนี้ขามาเท่าไหร่นะจาก500สี่เหลือ430อ๋อนี้เกนถยง500นะวันแรกนะครั้งที่สองครับครั้งที่สองมี500อยู่คั้งร YouTube ก็า30 YouTube ตอนนี้มันเหมือน20กว่าครับมันเหมือนเพราะมันมีปัญหาช่วงนี้เป็นที่สัญญาณเลยเมื่อเมื่อเช้าเปิดไปอินเทอร์เน็ตหมดผมก็เลยเติมไปแล้วอินเทอร์เน็ตแท็กเก็ตหมด25กิกก็เลยเติมไปนล้วต้องเติม ที่เขาให้เป็นแค่เฉพาะประจําเดือนนะครแต่ว่าคงไม่เป็นไรครับประชาชนถึงถึ ง, ถงคนจะตามน้อยอย่างไงเขาก็ตามมาดูดยอดหลังอยู่ดีคยอดคนดูขึ้นสามร้อยห้าร้อยตลอดขึ้นเรื่อยๆค ร, รับยอหลังนจอภาพมันชัดไหมก็ชัดครัดไปเลยดิยูทูบมันดีกว่าจอมันกว้างกว่านะรอ a c e b o o k อัปเดตอยู่ครับเขาแจ้งว่าจะอัปเดตแต่ยังไม่รู้รว่าเมื่อไหร่เลยนะก็จะเป็นกว้างเหมืนอนเดิแล้วเดี๋ยว iPhone 7มันจะเป็นกล้องเทเลด้วยซูมก็ได้จอกว้างก็ได้มีสองมันมีสองกล้องรู้ปะใช่ครับมันมีกล้องสอยังไม่รู้เรื่องการทำงานงมันเท่าไหร่ก็สําหรับตัว wide angle ตัวหนึ่งอ๋อแล้วก็อีกตัวตัวซูมดึงเข้าอ๋อครับเป็นเทเลอะครับแต่ว่าแสงที่สว่างขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเขาเขาเดี๋ยวนี้เขาฉลาดเขาเอาสองกล้องเลยเผื่ออยากจะถ่ายที่ไกลก็ดึงมันเข้ามาได้ แล้วถ้าอยู่ที่ใกล้จอมันแคบใช่ไหมก็ทำให้มันกว้างได้อย่างพวกเซลฟี่นี้เขาจะชอบอันนี้มันจะกว้างเห็นว่าประมาณเดินหน้าก็จะมาแล้วครับไอโ o นเจ็น่าจะจะเห็นใครแจ้งเราแล้วนะมีคนเขาพูดไปพูดถึงเ p ื o อ e 8อฟนแปดแล้วตอนนี้คิวที่จองไปถึงไอโฟนสิบสามแล้วครับ <laughs> หมว่าต่อไปไอ้คน8นี่ชาร์จไฟแบบไม่ต้องใช้สายอะออชาร์จแบบไร้สายได้สบายอยู่ตรงไหนก็ปล่อยมันชาร์จไปไมันต้องใช้แท่นอยู่ไหมอาจารย์หรือว่าไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องวางบนแท่นไม่ต้องไม่ต้องวางบนแท่นใช้งานไปแล้วแล้วก็ขอให้มันอยู่ในรัศมีของที่มันสามารถที่จะกแ็แท่นก็แท่นมันก็จะเสียบอยู่กับที่ที่ตัว ตัวไอ้ตัวปักวป๊กไงแล้วมันก็จะส่งส่งไฟมาเข้ามาทางเครื่องเหมือนส่งกระแสสัญ ญ, ญาณตรงนี้ก็สะดวกไม่ต้องใช้สายแอปเปิเลเขาเงไปที่ความใช้งานแบบสะดวกสบายตอนเที่ยนี้ก็ไม่มีไม่มีสายแล้วเสียงไอ้หูฟังใช่ครับตัวนี้ที่ห่วงครับอาจารย์เพราะว่าว่าว่ามันจะแปลงออกมาเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนเพราะเสียงมันจะมีปัญหาไหมก็ออกจากช่องชาร์จเนี่ยครับชาร์ ก็ไปเข้าหูฟังก็ตัวนี้ครับที่ห่วงถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาก็คือทุกอย่างก็โอเคแล้วเพราะเราต้องใช้สายนะครับต่อไปเขาคงจะไอ้ตัวนี้คงผลิตแบบรับแบบไม่ต้องใช้สายก็ได้มั้งอ๋อไม่ต้องใช้สายเหรอไม่ไอ้ตัวที่ตัวนี้เหรอมันก็ต้องพัฒนาไล่กันะใช่ไหมมันจะได้ทันกันมันก็ไม่เสถียรนะวิจารณ์มันก็เหมือนบูทูธเดี๋ยวก็ทำเดี Six ๋ยวก็อะไรอย่างเี้ยอ๋อไม่รู pues ้เหมือนกันว่าเขาใช้สัญญาณอะไรครับ สัญญาณข้คงจะไม่ไม่ไม่มีปัญหาแล้วเพราะมันไม่ไม่ได้เป็นบลูทูธเนี่ยไม่ค่มีปัญหาเท้วหร่จะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญดีกว่านะเที่ยวให้น้อยหน่อยต่อไปจะได้ไม่ไม่ไม่ติดเที่ยวแล้วไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีเงินเที่ยวเข้าใจไหม เที่ก็เหมือนยาเย <f irm> สพตินดนะคนที่ติดแล้วมันก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยเหมือนยาเสพติดคนที่เสพยาเสพติดมันก็เสพอยู่เรื่อยๆพอไม่ได้เสพก็ทุกข์แต่คนที่เขาไม่เสพยาเสพติดเขาก็ไม่ทุกข์คนที่ก็ไม่ติดเที่ยวเขาก็ไม่ทุกข์เขาไม่ได้เที่ยวเขาก็ไม่ทุกข์พยายามลดสิ่งเหล่านี้ลงแล้วจะจะมีความสุขมากขึ้นสาวปลาเลยอ่สาวทุกขดีพาเพื่อน ม, มาทำ มาดูธอีกอิจเขาจะเลยขาดแต่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะอาตรธรรมวิคานเลยเลยชุดบวชเลยเลยมีอะไรบ้างนะมีบาด ม, มีี้อนมีครบรเลยเลยบวชได้เก้ารูปเลยเลยโอ้โหโอ้โหขออนุโมทนานะ ก็อยากจะ บ, บวชมารับไปเลยไม่ยอมเอาไม่ต่อสักชุดเขออนุนบทธนานะขอให้ธรรมหากินเจริญก้าวหน้าลูกงเรืองนะคำถามมาไหอันนี้ก่อน นี่ก็อยากจะถามก่อนคือตอช่วงนี้ค่ะคือจิตมันจะเหมือนกับอยากนิ่งๆอยู่เฉยๆนะคะมันนี่มันอยากไม่ได้แล้วมันต้องพุทโธมันถึงาะนิ่งมันต้องมีสติคอยควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดความอยากนี่ก็เป็นความคิดละหยุดความอยากนี้แล้วก็กลับมาพุทโธแล้วกลับมาอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรไปอย่าให้มันคิดให้มันอยู่ปให้มันรู้เฉยๆสังแต่ว่ารู้ เดินโยงกล้อให้รู้เฉยๆก็ได้รู้กําลังก้าวเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วเดี๋ยวมันก็สงบเองเดี๋ยวมันก็นิ่งเองความนิ่งไม่ได้เกิดจากความอยากให้มันนิ่งความนิ่งเกิดจากการหยุดคิดหยุดอยากเข้าใจไหมต้องหยุดคิดให้ได้หยุดอยากให้ได้ถ้าหยุดคิดมันก็หยุดอยากที่มันอยากเพราะมันคิดมันคิดถึงความสงบมันก็อยากจะสงบอันนี้ไม่ใช่ความสงบ พอรู้ว่าอยากสงบก็หยุดคิดเสียหยุดอยากถ้าหยุดไม่ได้ก็ใช้พุทโธหยุดมันไปท่องพุทโธไปแค่นี้มันจะตายเลยเดินไปพุทโธพุทโธทพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็สงบเองพอถ้าอยากให้สงบเต็มที่ก็ต้องนั่งหลับตาพุทโธต่อไปก็ได้หรือดูลมหายใจไปก็ได้อยากคิดอย่าอยากพอเดี๋ยวมันก็สงบเอง มันง่ายจะตายไปแต่ไม่ทํากันท่านเองชอบคิดกันแล้วเกิดคิดว่าทําไงให้มันสงบยิ่งคิดมันก็ยิ่งไม่สงบใหญ่นะเลยอาจารหยุดคิดหยุดพอหยุดคิดแล้วมันก็หยุดอยากพอหยุดอยากมันก็สงบ <c oughs> คิดอยู่นั่นะวนอยู่ในอ่างนะเหมือนงูคอยจะตามกัดหางมันอะ หัวหัวมันยื่นออกไปจะไปทไี่ไหนหาหาหามันก็หนีไปอยู่เรื่อยแล้วอย่างนี้มันจะสงบมันได้เมื่อไหร่คิดอยากใช้มันสงบยิ่งคิดมันก็ยิ่งไม่สงบใหญ่วิธีจะให้มันสงบก็บอกว่าพุโทโธพุโทโธคําเดียวทําไม่ได้กันชอบคิดกันกลับหาว่าคิดว่าพุโทโธเราโง่ไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยสู้คิดไม่ได้อ่ะ แต่นี่มันเป็นเรื่องของทางโลกทางธรรมนี่มันต้องไม่คิดมันต้องโง่มันถึงจะดีฉลาดแล้วมันทุกข์เขาไงไหมฉลาดทางโลกนี่มันทุกข์สู้โง่โง่โง่ดีกว่าโง่ทางโลกแต่ฉลาดทางธรรมฉลาดทางธรรมก็หยุดคิดนี่เรียกว่าฉลาดทางธรรมให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปในทางโลกเขาว่าโง่นั่งเฉยๆพุทธโธพุทธโธมันจะได้อะไรวะสู้มานั่งคิดหาเงินหาทองไม่ดีกว่าเ ใชมันได้เงินทองแต่มันได้อะไรด้วยนะมันได้ความเครียดนะได้ความฟุงนะ้งซ่านไหมได้ความอยากต่างๆไนหะมตื่นเมื่อจะถามคือเหมือนจะว่าอย่างตอนที่สูติว่าคือเราคือใจเราไม่อยากคิดแต่อยู่เฉยๆองนี้นะคะแล้วคราวนี้มันเหมือนกับว่าคือถึงแม่พอจะออกจากสมาธิก็คือไม่ไม่ยอมไปคิดทางปัญญาหรืออะไรนะคะ แต่ว่าตอนที่มีปัญหาทุกๆเนี่ยมันก็จะสามารถน้องไปคิดได้ค่ะมันไม่คิดก็ต้องบังคับมันสิต้องบังคับใช่มใช่มันท่องอาการสาสิบสองใบก่างก็ได้ท่องว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันท่องมันซ้ําไปอย่างนี้เรื่อยๆเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนนั้นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนนี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย คิดอย่างนี้ไปก่อนให้มันก็จะค่อยๆ น, อน้อมลอมาคิ อ, อ, อ, อมันติดอยู่ประมาณเกือบเดือนแล้วครับปกติไม่เคยติดเขึ้ อ, เ, อ, อเวลาคิดหาเงินนี่ไม่ต้องบังคับมันเลยนะ <c oughs> โอ๊ยมันไปได้หมดเลย <c oughs> ช่องนี้ไม่ได้ไปช่องนั้นช่องนั้นไม่มีช่องให้ไปหลายช่อง <c oughs> พอช่องปัญญานี่ทึบหมดห <c oughs> มดเลยนึกไม่ออกเลยคิดไม่เป็นเลย คิดไม่เป็นก็เอาสูตรที่พระเจ้าสอนให้คิดกอนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเดี๋ยวมันก็ขยายความเป็นใครว่างว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย mm hmm. เป็นดินน้ำลมไฟอะไรเงี้ยอาการ32เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองอถึงต้องอาศัยความคิดของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําร่องก่อนเมื่อเราคิดเองไม่เป็นเราก็ต้องทําตามที่พระเจ้าสอนให้คิด ให้พิจารณาร่างกายให้พิจารณาการ3 2มอยังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละตั้งแต่พื้นท้าขึ้นมาตั้งแต่ศีสันลงไปมีหนังหุ้มห่อเป็นที่สุดรอบมีอาการต่างต่างต่อไปนี้มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกอันนี้ปัญญาทั้งนั้นทำไม่คิดคิดไปเสียท่องไปก่อนก็ได้ท้องอาการ3 2มสิบอย่างตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมเนี่ย เป็นหมอเนี่ยจําได้ไหมอการสาหที่สองเนี่ยทั้งอนุโลมปฏิโลมได้บ่าได้ะไปข้างหน้าค่ะแล้วลองถอยหลังดูสิถอยกลับมาจะไปะยากอะไรแค่สาหที่สองอาการออพอท่องได้ต่อไปก็นึกถึงแต่ละอาการแต่ตอ้ตอต้นท่องชื่อมันก่อนพอท่องชื่อได้แล้วทีนี้ก็หยุดไปเอาดูทีละ า, าการผมเป็นยังไงอยู่ตรงไหนขนอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหน นี่เป็นปัญญาทั้งนั้นเนี่ยแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันดำไปตลอดหรือเปล่าผมแล้วมันสั้นไปตลอดหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมันก็ยาวไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ขาวแล้วเดี๋ยวมันก็ร่วงเดี๋ยวก็สีสับโลนอันนี้ก็ปัญญาทั้งนั้นเนี่ยคิดไปซิมันมีให้ช่องให้คิดมไม่คิดกันเองเยคิดอันนี้จังเนย หน้าตาเป็นดินน้ำลมไฟผมตัดไปทิ้งไปแล้วมันกลายเป็นอะไรไปทิ้งไปเนี่ยมันก็กลายเป็นดินไปเล็บตัดไปแล้วมันกลายเป็นอะไรไป ม, มันก็ดินทั้อนั <c> ้น <oughs> อันนี้แหละเรียกว่าปัญญาพิจารณาร่างกายก่อนอย่าไปคิดพิจารณาเรื่องอื่นเอาร่างกายนี้ให้ได้ก่อนเอากายวิภาคให้ได้ก่อนให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อน ต่อไปจะเห็นว่าร่างกายมันก็มีแค่อาการ32มันไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายไม่ได้เป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นอะไรมันก็มีแค่อาการ32เราไปตั้งชื่อให้มันเองว่าเป็นนายกรนายขอเป็นนางสาวอะไเป็นอะไรเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรไปนี่มันเป็นชื่อเท่านั้นตัวจริงของจริงก็แค่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่แล้วก็แก่เจ็บตายเหมือนกันหมด ตายไปก็กลายเป็นดินน้ําลมไฟไปพิจาานี้เวปัญญาการคิดอ่าตามที่พระอาจารย์สอนนะครับเรื่องการทำตัวเป็นภาคิริวเนี่ยผมมีครู้สึกว่ามันก็คือทําให้เราละอัตราตัวตนลงได้พอละลงได้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะคิดไปเพื่ออะไรมันเหมือนว่าทําอะไรก็สักแต่ว่าทําไปแล้วพระอาจารย์มันก็ทําให้ เลิกที่ได้เหมนกันไหมครมับว่าก็ทําตามเหตุตามผลไปไม่ได้ทําด้วยความอยากถ้าทำถ้ามีตัวตนก็ทําอยากทำแล้วจะได้รางวัลจะได้คนชมว่าเราเก่งเราดีเราทําอย่างงุ่นทําอย่างนี้ต้องการสรรเสริญต้องการรางวัลต้องการลาบสักการะแต่ถ้าทําตามหน้าที่ไม่ทํำด้วยตัวตนก็ทําไปถึงเวลาต้องทําอะไรก็ทําไปกายจะให้รางวัลหรือไม่ให้รางวัลก็ไม่สนใจ ครจะด่าใครจะชมก็ไม่สนใจแต่ก็ฟังถ้าคำด่าเป็นคำที่ดีที่ความผิดของเราเราก็แก้ไขไปเราทําอาจจะทําไม่ถูกหรือทําไม่ดีคนที่เขาฉลาดกว่าเขารู้ดีกว่าเราเขาบอกเราแล้วก็ฟังไปแล้วก็มาพิจารณาดูว่าจริงไม่จริงจริงเราก็เอามาพัฒนาต่อไปได้ แต่จะไม่มีอารมณ์เพราะไม่มีเพราะไม่ได้ถือว่ามีใครเขาดา่าเราหรือว่าเราคนที่มีอัตราตัวตนมากใครพูดอะไรปั๊บก็จะเข้ามาที่ตัวทันทีว่า ม, มันว่ากูไงวะเวลาก็ชมง้อ ด, ดีใจหน้ายิ้มอ่ามีคําถามเข้ามายัาง เ, เดี๋ยวเอาส<ช>ักสามโมงครึ่งใช่ไหมใช่ครับโอเค คำถามจากคุณขันติพง์ผมไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งตับผมมีความรู้สึกว่าเป็นไปดังคาดเนื่องจากผมรักษาไวรัสบีมาเจปีเลยทำให้มองเป็นเรื่องธรรมดาและธรรมชาติของมันที่จะต้อง <c oughs> เป็นแบบนี้ผมไม่ได้ทุกข์กับมันจิตผมกับของสายกว่าที่ยังไม่เป็นผมพิจารณาถูกไหมครับถูกแล้วแหละแสดงว่าเราเห็นธรรมแล้วเห็นอนิจังของร่างกาย าร่างกายเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจ็บหรือเดี๋ยวก็ต้องตายไปถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราไม่ไปต่อต้านความจริงไม่ได้ไปอยากให้มันหายหรือไม่ได้ไปอยากให้มันไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขจิตผ่องใสสบายใจพราะเรามีเวลาเนี่ย เ, เราเป็นมาตั้งแต่เจ็ดปีมาแล้วมันก็เลยมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจได้สังเกตดูคนที่เรารักนี่ถ้าเขา ตายเวลาแก่มากๆนี่เราจะไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่เพราะเรามีเวลาเตรียมใจรับกับความจริงของเขาเห็นคนอายุปเก้าสิบเนี่ยเราก็เราก็เชื่อว่ามันจะต้องตายมาหลายปีแล้วเนี่ยคิดอยู่มันยังไม่ตายสิพอถึงเวลาตายก็ไม่มีใครรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอะไรมากนะแต่คนที่ตายอายุสามสยี่สินี่โอ้ตกใจกันใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปเตรียมตัวคิดว่าเขาจะตายกันเราก็ตายนี่โอ้เราตกใจกันกลัวกันไปหมด แต่เราต้องคิดถึงทุกคนว่าจะต้องตายจะตายได้ทุกเวลาทุกอายุอายุ20ก็ตายได้30ก็ตายได้40ก็ตายได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะพอใครตายก็จะไม่เดือดร้อนจะเฉยเฉยเพราะรู้ว่าความตายเป็นเรื่องปกติของทุกคนแต่ไม่สําคัญเท่ากับความตายของเราเราต้องรับความตายของเราให้ได้เราจะสบาย ่าคำาถามจากคุณเจสการคิดในกายคือผมละลึกคิดในกายอยู่ตลอดเวลาตลอดสา <c oughs> มเดือนผมเดินจงกรมคิดในกายขาตาว่าสกรปรกไม่สวยวันนั้นขณนะที่ผมคิดอยู่จิตหมุนที่กลางอก 3-4 มสี่รอบลงไปรวมสว่างสวัยเหมือนดวงไฟสว่างมากสุขมากๆเลยครับและผมจะทำยังไงต่อครับ เ, เวลาออกจากสมาธิมาก็ให ใช้พิจารณาอย่างนี้ไปกับคนที่เราลหลงไหลข้างใครคนที่เราอยากจะไปร่วมหลับนอนด้วยเวลาเห็นนางงามเห็นดาราภาพยนตร์อะไรนี้<ด>ก็ให้คิดถึงอสุภะของเขามันจะได้ไม่เกิดความอยากขึ้นมาไอ้ที่เราพิจารณาแล้วจิตรวมนะั้นมันเป็นเหมือนกับเป็นการปัญญาอบรมสมาธิเราพิจารณาอสุภะแล้วจิตมัน มันปล่อยวางความอยากมันก็สงบลงมันก็เป็นสมาธิแต่มันยังไม่ได้มาเอามาใช้กับการทาลายตันหาความอยากการหาความอยากมันจะเกิดตอนที่เราไปเจอของสวยๆงามๆคนสวยๆงามๆนะตอนนั้นเราต้องคิดถึงอสุภะพอคิดถึงอสุภะแล้วความอยากในตัวเขาก็จะหายไปคำถามจากคุณสิริวัน การพิจารณาผมเช่นพิจารณาที่ตั้งเช่นเส้นที่อยู่ที่แขนเรียกว่าขนแขนอยู่ที่คิว้วเรียกว่าขนตาการ พ, พิจารณาที่ตั้งเพื่ออะไรคะก็รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไงแล้วก็เวลามัน <c oughs> มันเป็นอะไรไปก็จะได้รู้ว่ามันมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอเดี๋ยวขนก็ร่วงเดี๋ยวผมก็ร่วงแสดงว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่ มันเปลี like math, ่ยนแปลงมีเจริญมีเสื่อมแล้วเวลามันกลายเป็นดินไปก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นเราแล้วใช่ไหมแต่เราตัดผมทิ้งไปนี่มันยังเป็นเราอยู่เปล่าเป็นของเราอยู่เปล่ามันเป็นของดินไปแล้วใช่ไหมโยนทิ้งไปแล้วกลายเป็นดินไปแล้วทุกส่วนในร่างกายนี้เป็นของดินทั้งนั้นของดินของน้ําของลมของไฟเวลาฉี่ออกมานี่ก็เป็นของน้ําก็ไปแล้วเวลาหายใจออกมาก็เป็นของลมก็ไปแล้ว ลมเข้าลมออกน้ำเข้าน้ำออกดินเข้าดินออกมันก็มีอยู่แค่เนี้ยร่างกายเราเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟแต่เราไม่มองมันใเวลาหายใจเข้าหายใจออกนี้ไม่ใช่เรื่องของลมนะเวลากินน้ำแล้วฉี่ออกมานี้เป็นอะไรมันก็เรื่องของน้ำเวลากินอาหารแล้วถ่ายออกมามันเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของดินนี่นะไอ้ที่ถ่ายออกมามเป็นอะไรอุจจาระนี่มันไม่เป็นดินมันเป็นอะไร มันก็เนี่ยเรื่องของดินน้ำลมไฟในร่างกายของเรานี่มีแต่เรื่องของดินน้ำลมไฟไม่มีตัวเราอยู่ตรงไหนเลยตัวเราเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแต่พอร่างกายนี้หายไปล้วเราหายไปกับมันหรือเปล่าเราก็ไม่ได้หายไปกับมันคำถามจากคุณพรชนกวางและว่างหมายความว่าอย่างไรคะ เวลาถืออะไรไว้วเอาไปวางก็อย่างนั้นแหละตอนนี้เราถือตัวเป่ะถือตัวก็ให้วางไว้อย่าไปถืออย่าไปถือว่าเราสูงเราดีกว่าเขาเขาจะต้องเคารพเราเขาจะต้องอให้เกียรติเราถ้าเราถือแล้วเขาไม่ให้เกียรติเราเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่ถือเราก็ไม่เสียใจถ้าเราไม่ถือว่าเราต้องให้เกียรตินี่เขาไม่ให้เกียรติเราเราก็ไม่เสียใจ อย่าไปถือถ้าวางแล้วมันก็จะว่างวางแล้วใจมันก็จะว่างจากการถือมันก็จะสบายคำถามจากคุณเป้ถ้าเราทำผิดแล้วรู้ว่าผิดเราจะเป็นบาปไหมคะออถ้าทำทำผิดที่เป็นบาปมันก็เป็นบาปลบาปแล้วรู้จะรู้ไม่รู้มันก็บาปอยู่แล้วทำไปแล้วแต่ที่รู้ก็ดีจะได้ไม่ทำซ้ำ ที่เขาบอกที่เขาสอนนี่เพื่อให้ไม่ทามําซ้ําเช่นเวลาใครทําผิดแล้วเขาถูกจับไปลงโทษเนี่ยเป็นการสอนไงสอนเป็นการเตือนว่าอย่าทำนะทำแล้วจะเจ็บตัวอย่างนี้เพื่อเราจะได้จําได้แล้วครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ทําเมื่อเราไม่ทําเราก็จะไม่เจ็บตัวเราก็ไม่ต้องใช้บาปคําถามจากคุณออม การพิจารณาการปฏิบัติของเราเช่นการสวดมนต์ภาวนาหรือสวดมนต์บ่อยที่อยากทําหรือว่างจะเกิดประโยชน์ไหมครับพิจารณาหรือมันพูดอะไรไม่เข้าใจพิจารณาทําไมแต่ทำไ ม, ต, มต้องพิจารณาด้วยห้าข้ามข า, ามอะไรขาถามจากคุณ น, น้อย ตัวรู้ธาตุรู้จะเกิดขึ้นต้องทําอย่างไรครับถ้าเกิดขึ้นแล้วจะรู้ได้เองไหมครับหรือต้องสอบถามจากครูบาอาจารย์ครับว่า น, นี่คือตัวรู้คือตัวรู้นี่มันไม่ต้องถามมันเกิดแล้วมันอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้มันถูกตัวคิดปิดไว้เหมือนกับพระพุทธรูปเนี่ยใครเอาผ้าไปคุมไว้ก็มองไม่เห็นใช่ไหมถ้าอยากจะเห็นพระพุทธรูปก็เอาผ้าออกเสียผ้าที่คุมไอตัวที่คุมตัวรู้นี่ก็คือตัวคิดนีไง ถึงบอกให้หยุดคิดพอหยุดคิดแล้วก็จะเจอตัวรู้วิธีจะหยุดคิดก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดเรื่องต่างๆแล้วเดี๋ยวพอมันหยุดคิดตัวรู้ก็จะโผล่ขึ้นมาคำถามจากคุณโมนี <c oughs> ตอนเช้าซื้อกับข้าวเพื่อที่จะใส่บาตรแต่ไม่เห็นพระบิณฑบาตแถวที่จะใส่ก็เลยคิดว่าเอาไปกินเองที่ทํางานก็ได้ แต่พอมาเดินได้สักพักก็พบกับทาร์ที่ออกบินธบาตพอดีก็เลยเอากับข้าวที่ซื้อเตรียมไว้ที่คิดว่าจะกินเองแล้วไปใส่บาตจะเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรหรอกความคิดก็เรื่องของความคิดการกระทำก็เรื่องของการกระทำถ้าใส่บาตก็ได้บุญถ้าไปกินเองก็ไม่ได้บุญกตเท่านั้นคุณออมถามประมาณว่าการพิจารณานะครับแยกนะครับการปฏิบัต ของเราเช่นการสวดมนต์ภาวนาหรือสวดมนต์บ่อยที่อยากทําหรือว่าจะเกิดประโยชน์ไหมครับถ้าสวดมนต์ก็เกิดประโยชน์นะนั่งสมาธิมันก็เกิดประโยชน์แต่การพิจารณาว่าอยากจะทําแต่ไม่ได้ทํามันไม่เกิดประโยชน์เข้าใจไหมถ้าคิดว่าเออสวดมนต์ดีนั่งสมาธิดีแต่ไม่ทำสักทีเงี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์การคิดอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์คิดแล้วต้องทําถึงจะเกิดประโยชน์ คิดว่านั่งสมาธิดีรักษาศีลดีอะไรดีปฏิบัติธรรมดีแล้วก็ไปทํากันอย่างญาติโยมเนี่ยมาถือศีลแปกันเนี่ยแสดงว่าได้พิจารณาไว้ก่อนแล้วใช่ไหมว่าถือศีลแปดน่าจะดีเนอะลองมาถือดูสิก็ลเลยมาถือศีลแปกันดูทําแล้วก็จะได้ผลดีถูกไหมถูกตามที่ก็ถามไหมถูกครับอ คำถามจา<ต>่าถ้ายังไม่เคลียร์ก็เขียนเข้ามาใหม่ส่งเข้ามาใหม่ไดแ้แต่ผมว่าเขาอาจจะถามประมาณว่าการพิจารณาการปฏิบัติคือแยกไงครับพิจารณาก็อันนึงปฏิบัติก็อันนึงแ ล, แล้วก็การโสดมนอะไรเงี้ยคงแบบว่าไล่ระดับมาให้ฟังว่าอย่างนี้ครับคุณคำถามจากคุณวาสนาเวลามีคนตายประเพณีที่เขาจัดสํำรับข้าวแล้วไปเคาะลงเรียกให้กินข้าวจําเป็นไหมคะ ไั่จาเป็นหรอกคนตายอยู่กินได้ยังไงคนตายก็ต้องรอบุญแล้วละบุญที่เราทําแล้วก็อุทิศไปแต่พระพุทธรูปก็ไม่ต้องเอาข้าไปถอยพระพุทธรูป่ะพระพุทธรูปก็ไม่ได้กิน <c oughs> เขาเรียกว่าเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นอุบายของวายาวจากรกันเขา้าใจไหมวายาวจากรอยากจะกินข้าวธรรมดาญาติโยมจะถอยแต่ให้ข้าวกับพระพระสงค์ อวายาวัชกรบอกให้ต้องถวายพระพุทธรูปอีกสำนับนึ่งที่วัดก็เลยมีอีกสำนับถวายพระพุทธรูปพอถึงเวลาเวลาที่พระฉันหวายาวัชกรก็เของพุทธเจ้ามากินหมายความว่าการถวายข้าวพระพุธหรือผลไม้เนี่ยก็ได้แค ja ่ความสุขแค่นั er> <_<__้นไม่ได um> ้อะไรเลยไม่ได้เลยไไม่ด้เลยก็เป็นพการบูชาเท่านี้ได้เหมือนกันคือได้ได้ได้บูชาแต่ความบูชานี้เขาก็ใช้ทู่เทียนก็ได้ ใช้ดอกไม้ก็ได้ได้การบูชาแต่พระพุทธรูกก็ไม่ได้กินบุญก็ไม่ได้จากการถวายทานถ้าอยากถวายทานก็ต้องไปให้พระสององค์เจ้าหรือขออภัยนะให้สุนัข ก, ก็ได้ก็จะได้ได้ทานได้บุญที่เกิดจากการให้ต้องมีคนรับมีคนได้รับประโยชน์พระพุทธรูปท่านไม่ได้รับประโยชน์จากอาหารที่เราไปวางไว้ แล้วถ้าแค่ความสุขใจที่ได้ให้ะถือว่าเป็นบุญไม่ใช่หรือจันท์ก็ได้เหมือนกันแต่มันมันไม่สุขมันไม่สุขจริงเลยค่ะคำถามจากคุณชัยชุมพระที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลังผิดนิยายนี่ไหมครับพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกแต่ท่านก็ไม่ได้ห้ามแต่จะว่าผิดก็ไม่ผิดอแต่จะว่าทาไปแล้วได้ประโยชน์ไหมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ไม่ได้ประโยชน์จากการที่มาบวชนการมาบวชนี้ให้ต้องการตัดกิเลสตัณหาแต่การไปปลูกเสกนี่กลับจะไปปลูกกิเลสตัณหายเพิ่มมากขึ้นเพราะปลูกแล้วได้เงินไงใช่ไหมปลูกเสกแล้วได้เงินหรือเปล่าถ้าปลูกแล้วไม่ได้เงินไม่ปลูกวหมคาถามจากคุณโลฮิว ขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายอริยสัจ4ี่หน่อยครับอริยสัจ4ี่ก็คือความจริง4ประการที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่า1ความทุกข์ความทุกข์นี้มีในใจของเราทุกคนและต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆแล้วก็เราสามารถดับความทุกข์นี้ได้ถ้าเราทุกข์แล้วเราอยากให้มันดับมีวิธีดับ วิธีที่ดับก็คือเรียกว่ามรคคืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรคทุกและต้นเหตุของความทุกข์ก็เรียกว่าสมุทยัยนิโรธก็คือเวลาทุกขดับไปแล้วก็มรคก็คือเครื่องมือที่จะมาใช้ในการดับความทุกข์เนี่ยถ้าเรามีความทุกข์ใจเราอยากจะไม่มีความทุกข์ใจก็จเจริญมรคถ้าเปรียบเทียบถ้าทุกข์เป็นเหมือนไฟ มรก็เป็นเหมือนน้ำดับไฟถ้าเราอยากจะดับไฟเราก็ต้องเอาน้ำมาดับหรือเอาเครื่องม้าเครื่องมือมาดึงเชื้อไฟให้ออกจากกองไฟเชื้อไฟก็คือความอยากต่างๆถ้าไม่มีเชื้อไฟไฟมันก็จะดับเน้นมัก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาเนี่ยที่พรเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติทานศีลภาวนา ความทุกกใจกันคำถามจากคุณธนุวัตมีคนเล่าว่าในสมัยพุทธกาลที่มีพระจะช่วยคนที่โดนโจรตามล่าแล้ววิ่งผ่านหน้าท่านไปโจรจึงถามท่านว่าเห็นใครผ่านมาหรือเปล่าท่านคิดว่าท่านโกหกก็จะผิดศีลแต่ถ้าไม่โกหกก็จะมีคนโดนฆ่าตาย ท่านจึงขยับเดินไปอีกทางหนึ่งแล้วบอกโจรว่าตั้งแต่อัตมามายือนอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นใครผ่านมาเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับและทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าครับก็เท่าที่ได้ยินมาก็ได้ยินมาอย่างนี้ก็เป็นอุบายของท่านที่จะพูดความจริงโดยที่ไม่ต้องโกหกนตอนที่ท่านเห็นท่านยืนอยู่ตรงนูน้นเข้าใจไห อ๋อท่านขยับมาตรงนี้ท่านก็ บ, บอกว่าตั้งใจมายืนตรงยังไม่เห็นเลยจะว่าโลหะก็ไม่ได้นี่นะเพราะตามความจริงคำถามจากคุณวรพัฒผมอยากทราบว่าจินตาเมย์ามายปัญญากับนวน า, าย์ปัญญาต่างกันอย่างไรครับอ๋อจินจินตาเมาย์ปัญญาก็คือความคิดที่ยังไม่มีสมาธิไง อย่างพวกเราคิดว่าออกิเลสไม่ดีเราต้องหยุดมันให้ได้นี่ก็เรียกว่าจินตามยปัญญาแต่หยุดมันไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังเราไม่มีสมาธิถ้าเราอยากจะหยุดมันได้เราต้องไปนั่งสมาธิก่อนพอจิตเราสงบแล้วมีสมาธิพอเราคิดว่ากิเลสไม่ดีเราหยุดมันเราก็จะหยุดมันได้อันนั้นก็จะเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่มีภาวนาเป็นผู้สนับสนุนไง คำว่าภาวนาก็คือสมถภาวนาคำว่าสมถะภาวนาก็คือสมาธิเราจึงต้องมานั่งสมาธิก่อนเมื่อเรามีสมาธิแล้วพอเราเห็นว่าความโลภไม่ดีเราก็จะหยุดมันได้ตอนนี้เราไม่มีสมาธิเราเห็นว่าความโลภไม่ดีเราหยุดมันไม่ได้อยากจะหยุดอยากจะเลิกแต่ก็หยุดไม่ได้เลิกไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังมีปัญญาแต่ปัญญาที่ไม่มี ไม่มีความสามารถที่จะหยุดกิเลสได้ปัญญาที่จะหยุดกิเลสได้ต้องเป็นภาวนาเมย์พัญญาปัญญาที่มีสมาธิมีภาวนาแต่ก็ต้องใช้จินตา ม, มยปัญญาคิดไปก่อนคิดว่าอะไรไม่ดีแล้วถ้าเราเลิกไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสมาธิเราก็ไม่นั่งสมาธิกันพอเรานั่งสมาธิได้แล้วพอเราจะเลิกเราก็จะเลิกได้ คำถามจากคุณลุ่งลับปัญญาอบรมสมาธิหมายถึงใช้ปัญญาทางโลกพิจารณาอาการ32ให้เป็นไตลักษ์เพื่อที่จะให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายใช่ไหมครับกรณีภาวนาพุทโธและไม่สงบถ้าจิตสงบเป็นสมาธิแล้วแล้วตอนถอนสมาธิแล้วค่อยพิจารณาทางธรรมผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหมครับคือปัญญานี่มันมีสอแบบไง ปัญญาที่ทําให้จิตสงบชั่วคราวเรียกปัญญาอบรมสมาธิเช่นถ้าเราพุโทโธไม่ได้เราก็ท่องอาการสามสิบสองไปแทนผมขอนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้ก็เป็นปัญญาทั้งนั้นถ้าอยู่กับพุทอยู่กับอาการ32นี้ไปเดี๋ยวจิตก็สงบตัวลงก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิได้แต่มันจะอบรมเฉพาะทําให้ใจสงบชั่วขณะนั้นท่านเองแต่มันยังไม่ปล่อยวางร่างกาย ถ้าเรามาพิจารณาอาการ32อยู่เรื่อยๆจนเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเช่นเห็นร่างกายคนอื่นสวยแล้วก็คิดถึงอาการ32ของเขาคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกของเขาก็ทำให้เราหายอยากแทนที่อยากจะได้เขามาเป็นแฟนก็เลิกเปลี่ยนใจเราก็หายทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่าอยากให้เขาเป็นแฟนพอไม่ได้เขาก็ทุกข์ใช่ไ พอเราเห็นเห็นกระดูของเขาเห็นตับไตไส้พุงของเขาไม่เอาดีกว่าก็หายอยากก็หายทุกอันนี้เป็นเป็นปัญญาแบบดับความทุกข์อย่างถาวรต่างกับปัญญาที่อบรมสมาธิอันนั้นใช้ชั่วข่าวเวลาจิตฟุ้งซ่านแล้วไม่ยอมอยู่กับพุโทโธก็เลยให้อยู่กับผมขนเล็บฟันไปให้ท่องผมขนเล็บฟันไปพอท่องไปสักพักนึงจิตก็สงบลงก็เป็นสมาธิขึ้นมาแต่เป็นชั่วข่าว เป็นปัญญาอบรมสมาธิคำถามจากคุณชมพูนุชถ้าทำความผิดแล้วรับโทษทางโทษทางโลกแล้วยังต้องรับโทษทางทำไหมคะหมาย<ำ>ถึงต้องรับกรรมไหมคะถ้าเป็นบาปก็ต้องคือความผิดทางโลกนี่อาจจะไม่เป็นบาปก็ได้แต่ไม่รู้เป็นหรือเปล่ามั้รก็เป็นทุกอย่างความผิดทางโลกส่วนใหญ่มันก็เป็นบาทั้งนั้นถ้าไม่รักทรัพย์ก็ช่อโกง ก็โกโหกหลอกลวงงั้นถ้าเป็นบาปนี้ถึงแม้ว่าจะใช้โทษใช้โทษทางทางโลกแล้วตายไปยังต้องไปใช้โทษทางกรรมต่อไปเ mm. ช่นฆ่าคนอย่างเงี้ยไปติดคุกติดตารางออกมาพ้นโทษแล้วแต่ตายไปก็ต้องไปเกิดให้เข้าฆ่าไปตกนรกก่อน mm. กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาให้เข้าฆ่าเรา คำถามจากคุณปุลนะครับอีกสองสามคำถามมาพอนะใช่ครับเอจะได้ขอความเมตตาช่วย อ, อธิบายปฏิจจสมุปบาทหน่อยครับอเอ้ยนี้ยาวเหลือเกินไปอ่านใน google <c oughs> ดีก่อนนะง่ายกว่าเ <c oughs> <c oughs> พราะอันนี้มันอ่านไปก็เท่านั้นเน่ะมันก็ปฏิบัติไม่ได้ความจริงปฏิจจสมุปบาทนี่มันเป็นธรรมขั้นสูงขั้นอลาลัสตมักเนี่ยถ้ายังไปไม่ถึงนั้นดูไปอ่านไปก็เหมือนกับ ดูไปเฉยๆกโก้อย่างนั้นเองแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไระอีกสั่งข้อแล้วกันนะครับคำถามจากคุณพานุวัตรผมตามดูกายดูใจตัวเองที่ปัจจุบันเช่นรู้ฟุ้งซ่านรู้ความไม่ชอบใจของตัวเองที่เป็นปัจจุบันพอรู้ทันปุ๊บมันก็ดับปับ๊บผมมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับก็ยังมาได้แค่ครึ่งทางนั่นเองทางที่ดีต้องให้มัน ดับแล้วไม่เกิดอีกเลยถ้าดับแล้วยังเกิดอยู่ก็ยังยังใช้ไม่ได้ต้องดับแบบว่าดับแล้วสามารถหยุดมันได้อย่างแท้จริงคำถามจากคุณออมคนที่มีกิเลสแบบผมแต่มีเจตนาที่อยากทำบุญด้วยใจที่ยังมีกิเลสเช่นการส่งใจอนุโมทนากับคนทำบุญ หรือเวลาเจออะไรที่น่าสงสารแล้วส่งใจไปสงสารเมตตาจะเกิดประโยชน์ไหมครับมันน้อยกว่าการที่เราทำบุญเองเห็นคนอื่นเขาทาบุญเราสาธุสาธุนี่สู้เราทำเองไม่ได้มันประโยชน์มันต่างกันเห็นเขาทำบุญแล้วกสาธุมันก็ได้ความสุขนิดเดียวแต่ถ้าเราทำเองฟักกระเป๋าเสียเงินเองนี่มันสุขมากกว่างั้นก็ต้องดู บุญที่พระเจ้าสอนให้ทํามันมีบุญหลักกับบุญบุญเสริมเราเราประชอบทําบุญเสริมกันไม่ชอบทําบุญหลักกันชอบอนุโมทนาให้กับเขาแต่ไม่ยอมทําเองเสียดายเงินแต่คนอนื่นเห็นคนอื่นก็ทําเออสาธุไปกับเขาอันนี้แล้วทําบุญเสริมคนรจะทําบุญหลักก็คือคนรจะา้า ก, กระเป๋าจ่ายเงินไปทําบุญไป <laughs> อย่างนี้จะได้มากกว่าก็ยัง หมดแล้วนะเตมั้ยโอเคภาษาอังกฤษห่าอาจารย์อยากจะฟังไม่ภาษาอังกฤษใครอยากจะฟังก็อยู่ได้นะถ้าไม่อยากจะฟังก็ไปต่ต้องตัดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วเอาแค่นี้นะสำหรับภาคภาษาไทยก็ขอให้ท่านที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้นำมาไปพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ